มบวชพระเราไม่ได้แค่ผมเหลืองอย่างเดียวผมเหลืองนี่ก็เป็นแค่ผ่อนภายนอกพร า, าเหลืองนี่จริงๆก็ยังคุ้มภัยให้กับเราไม่ได้ สิ่งที่คุ้มภัยให้กับเระเด้จริงเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งเราเรียกว่าสังวรสังวรคือความสำรวมสังวรนี่แยกออกเป็นสองอันแรกคือปาติโมกัสสังวรหมายถึงความสำรวมในปาติโมกปาติโมกนันก็มายถึง วินัยของพระทั้งเองนะพิกุปปาติโมก็คือวินัยของพระให้วเวลาปฏิบัติตามวินัยหรือเอาสิกขาบท2องข้อเนี่ยเอามาประพฤติปฏิบัติ สิ่งนี้แหละจะเรียกว่าเป็นเครื่องคุ้มภัยที่ที่แท้จริงที่ประเสริฐกว่าท่าเหลืองที่บอกว่าหมผมเหลืองแล้วปลอดภัยจริงๆนี่ข้อหมายถึงว่าเนี่ยปฏิโมกขสังวร น, นี่แหละคือถ้ามี ความเคร่งครัดในปฏิโมกหรือว่าในพวินัยอันนี้จะช่วยควบคุมช่วยป้องกันภยัยนโะดยพอะภัยที่มาจากภายนอกได้ถ้าไม่มีตรงนี้แล้วนะผ้าเหลืองก็แท่จะช่วยอะไรไม่ได้เลยนั่นะคือถ้า ไม่รักษาศีลไม่รักษาวินัยกาทำตัวเหมือนคาราวา<ม>ก็อาจจะไม่ปลอดภัย<ม>เช่นสะสมเงินทองประกอบการค้าเหมือนคาราวานี่ก็<ม>ก็อาจจะทำให้คนอื่นมาทำร้ายได้อย่างเราก็ได้ข่าว เดี๋ยวนี้ก็การพ้นชิงแย่งทรัพย์เดี๋ยวนี้ก็เข้ามาทำกับพระร่นทรัพย์จากพระหรือว่ามาส่งคนมาหลอกลวงเอาเงินจากพระ น, นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้ยินมากหรือบางทีก็มาทำร้าย ไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์นะแต่ว่ามีความเกลียดชังเพราะว่าไม่พอใจที่พระไปสร้างความเตือดร้อนให้กับเขาอันนี้โดยส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากการที่ท่านเหล่านั้นไม่ได้มีปานิโมกสังวรนะคือเพียงแค่หมเหลืองอย่างเดียวนี่มันไม่ไม่ได้ช่วย ป้องกันอะไรได้แต่ว่าถ้ามีความเคร่งครัดในธรรมวินัยโดยเพาะเอาแค่วินัยก่อนอันนี้ก็จะช่วยป้องอันตรายได้ไเวลาได่เยอะเาได้เยอะ9ซแล้วโดยพอไอ้ภัยจากภายนอกที่มา ทำอันตรายแกเราก็จะช่วยรักษาไว้ได้อันนี้สมัยก่อนคนเขามีความศรัทธานับถือศาสนานับถือพระนับถือพระเหลืองแม้แต่เป็นโจรเมื่อมาบว์พระ ทางการบ้านเมืองก็ไม่ทำอันตรายแม้แต่กบฏกบฏนี่กบฏ ท, ทำไม่สำเร็จหนีมาบวชพระหรือว่าเพียงแค่มาซ่อนตัวอยู่ในเขตอุบบสถนะทางการบ้านเมืองก็ ก็ปล่อยให้ปลอดภัยแต่ถ้าศึกเมื่อไหร่นี่ก็อาจจะโดนเขาจับตัวไปประหารชีวิตหรือว่าลากคอไปเข้าคุกอันนี้เรียกว่าเพรา ะ, ะมีผ้าเหลืองคุ้มหัวแต่ที่จริงที่เขาสรัทานับถือไม่ใช่เป็นผ้าจริงๆแต่ว่าก็เพราะ ปาฏิโมกหรือว่าพระวินัยที่เราได้นํามาประพฤติปฏิบัตินั่นเองคือถ้ารักษาพระวินัยพระวินัยก็รักษาเราถ้าไม่รักษาพระวินัยพระวินัยก็ไม่รักษาเราที่สมัยก่อนพระวินัยรักษาคนที่เคยเป็นโจรให้พ้นจากอาญาบานเมืองได้ก็เพราะว่าพอมาบวชแล้วก็ ก็ปฏิบัติตามพระวินัยอาจจะไม่ได้ทําด้วยความเต็มใจแต่ว่าก็ต้องทําเพราะว่ามีครูบาอาจารย์คอยดูแลมีญาติโยมคอยดูแลคอยตรวจสอบอันนี้เพราะเขาศรัทธาศรัทธาในพระวินัยศรัทธาในพระศาสนา แล้วก็เลยมาทำให้เกิดศรัทธาในผ้าเหลืองที่จริงการปฏิบัติตามพระวินัยเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทำให้คนหนึงเขศรัทธาเท่านั้นแต่ว่ายัางเป็นการลดปัญหาที่เราจะไปก่อความดือร้อนในแกะไข่งแต่ก่อนอาจจะเคยเก็กเมร็ดเ ก, กเรแต่พอมาบวชผ้าปฏิบัติตามพระวินยัย ภาวินนั้นก็ควบคุมเรื่องของกายวาจาไว้ทำให้เราจะไปก่อความเดือดร้อนความํำคาญแก่ผู้อื่นก็ทำได้ยากจะพูดอะไรตามใจปามก็พูดไม่ได้จะไปกินเหล้าเมายาเก็กเมล็เกเรที่ไหนก็ทำไม่ได้ ต้องทำตัวให้สุภาพแม้แต่จะไปไปขอไปขอใครยังไงแต่ขอเงินเลยขออาหารก็ยังไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นปาวารณาหรือเ ป, เป็นญาตนะิเพราะฉะนี่นนมันก็เลยทําให้โอกาสที่จะไปสร้างความเดือเดเลือดเนื้อร้อนใจให้แก่ญาติโยมหรือให้แก่ผู้ื่นก็ไม่มีเมื่อไม่มีเขาก็ไม่มีความเกียดชัง ชนิดที่จะมาทําร้ายมารังแกมารังควา น, นนี้ก็เป็นธรรมดายอยู่แล้วถ้าไปก่อความเดือดร้อนแก่ใครที่ไหนไอการกระทํานั่นเองนั่นแหละหรือว่าบาป ก, กรรมนั่นแหละที่ย้อนกลับม า, มาทําร้ายเราเราสร้างความเกียดชังแกใครความเกียดชังนั่นแหละก็จะมาทําร้ายเราเราสร้างความรําคาญ เดือดร้อนก่ใครความรำคาญเดือดร้อนนั่นแหละก็จะย้อนกลับมาที่เราแต่มันเป็นมันเกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะว่าเราได้ปฏิบัติตามพร ะ, พระวินัยคือเคร่งคัดระมัดระวังไม่ใช่เพียงแต่ไม่ไปก่อความรำคาญเดือดร้อนเท่านั้นนะแต่ว่ายัางทำตัวให้ใ ห, หน้าครพน่าศรัทธาด้วย เพียงแค่ไม่ทำตัวเดือดร้อนให้แก่ใครนี่มันก็ยังไม่พอนะแต่ต้องทำตัวให้หน้าเคารพหน้าศรัทธาซึ่งก็เกิดขึ้นได้เมื่อทำตามพระวินัยพระวินัยนี้เป็นเรียกว่าเป็นเป็นแบบแผนสำเร็จรูปก็กว่าได้คือถ้าทำแล้วอย่างน้อ ย, อยก็ก็มั่นใจได้ว่าจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนแก่ใคร แล้วก็จะทำให้เราทำตัวให้เป็นที่น่าเคารพได้ง่ายขึ้นอั น, นี้นอกจากปฏิบัติกสังวอแล้วมีอันหนึ่งเราเรียกว่าอินทียสังวรในอินเียสังวรนี่ก็ก็เป็นสิ่งที่จะคุ้มภยัยหรือป้องกันความทุกข์ เพ่เกิดกับพระได้อีกชั้นหนึ่งปฏิโมกสงวนนี่เป็นเรื่องกายวาจาทาตามพระวินัยทําตามสิกขาบรรนี้ก็เป็นเรื่องกายวาจา <c oughs> อินทรียสังวรนี่เป็นเรื่องใจโดยตรงอินเสียสังวรก็หมายถึงว่าการมีสติรักษาใจอินเสียสังวรความสมํารวมระวังในอินทรีอินทรีในที่ต่างโวยโวยหมกยิ้นกาย เน่นถึงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายเป็นหลักมันไม่ได้แปลว่าให้มีความสังวรสำรวมในการในการดูในการใช้ตาดูใช้หูฟังอันนั้นมันไม่ได้ความหมายอย่างนั้นบางทีไม่ค่อยจก็หมายถึงว่าการไปควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายจริงๆเสียสังวรนี่หมายถึงการมีสติรักษาใจ ถ้าควบคุมตาหัวใจร่างกายเนีเป็นเรื่องของของวินัยเรื่องของศึกษาบทเรื่องของศีลนะเช่นอย่าไปดูอันนี้อย่าไปฟังอันนั้นเช่นศีลแปดนี้ก็อย่าไป อ, าอย่าไปดูหนังฟังเพลงนะหรือว่ารักษาควบคุมปากเอาไว้อย่าไปพู ด, ดนะโผล่ควบคุมตาอย่าไปดู สิ่งบันเทิงริงรมควบคุมหูอยู่ไปฟังเพลงอันนั้นเป็นเรื่องของศีลเราไม่เรียกว่าอินเสียสังวรนี่สิสังวรนี่เป็นเรื่องการก็มีสติรับษาใจคือว่าตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสก็มีสติ ไม่มีสติรักษาใจหมเพราคือไม่เผลอใจไม่ปล่อยใจให้มันไปยินดียินร้ายไปกับสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังอันนี้ก็จะเป็นการช่วยรักษารักษาใจไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนปฏิโมกสังวันี้เรียกว่าเป็น เป็นตัวรักษากายไม่ให้เดือดร้อนหรือไม่ให้เกิดทุกข์ภัยจากภายนอกคนจะมาทำร้ายสัตว์จะมาทำร้ายก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมีปาติมโมกขสังวรแต่ความทุกข์บางอย่างนี้มันมันไม่ได้มาในรูปของงูงเงี้ยวเขี้ยวคอ หรือว่าปืนผาหน้าไม้ืางทีมันก็มาในรูปของของสวยของงามเห็นแล้วได้ยินแล้วก็จิตใจก็ทุกข์เพราะมีความเร้าร้อนเพราะมีความอยากอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเอาแค่นี้ก็ทุกข์แล้วอันนี้เรียกว่าเป็นภัยเหมือนกันเป็นอันตรายเหมือนกันถ้ามีมากมากก็ ร้อนผ้าเหลืองอยากจะสึกนะภยัย น, นีจริงๆมันไม่ใช่มาจากภายนอกนะมันก็มีส่วนนะแต่ว่ามันอยู่ที่ใจใจที่วางไว้ไม่เป็นมันก็ไปปรุงไปแต่งขึ้นมาเพราะนั้นต้องมีอินทรียสังวรเห็นะ สิ่งที่สวยงามก็ไม่ไปยินดีเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามก็ไม่ไปยินร้าแดดร้อนนะถ้ามีอินเซียสังวรมันก็ร้อนแต่กายแต่ว่ามันไม่ร้อนไปถึงใจจีเลวอกอินเซียสังวรนี่เป็นการกรองอันตรายที่มันละเอียดละเอียดอ่อนก็ได้ อันตรายอย่างยาบนี่มันก็ป้องกันได้ด้วยปฏิโมกขสังวรหรือการเครื่องในศีอันตรายอย่างหยาบก็เนี่ยเช่นปืนผาหน้าไม้หรือว่าโจรขโมยมาแย่งชิงทรัพย์หรือว่าผู้คนมาหลังแกงูงเงี้ยวเขี้ยวขอมาหลังควานนีอันนี้เราเป็นอันตรายอย่างหยาบ ส่วนซึน่งส่วนใหญ่มันก็มาเล่นงานที่กายมาทำร้ายที่ตัวแต่อันตรายอย่างอย่างละเอียดนี่มันมมันมันทะลุมาถึงใจได้ทำให้จิตใจเป็นทุกข์ทำให้จิตใจเศร้าหอมองเบื่อนายที่อยู่ในป่าเงี้ยเห็นะ เป็นอาหารอร่อย่อ้ออาวหรือฟังได้ยินดินเสียงแววเสียงเพลงแววมานะจากหมู่บ้านหรือว่าจากชาว บ, บ้านที่เขาทำไรนะ่มันก็เกิดการมารากข่าขึ้นมาหวนหวนอะไรถึงชีวิตในสมัยค า, ารวาแล้วก็เกิดความกระสันอยากจะสึกเนี่ยนะมันก็มีนะ บวชใหม่ๆมันนี่พวกนี้มันก็จะมันจะมายั่วมาเยานะ้าฟังเพลงที่เคยที่เคยชื่นชมสมัยเป็นคารวาสแล้วมันก็อยากจะมันก็หวนคิดถึงชีวิตคารวาสนะมันอยากจะสึกเนี่ยอันนี้เพราะไม่มีอินเียสังวรจิตใจมันปล่อยใจเผลอนะไปอยู่กับอดีตหรือว่าไปหมกมุ่นคุ้นคุ้นคิดนะ ปรุงแต่งอันนี้จะเรียกว่าเป็นภัยที่เกิดจากใจก็ได้มันจริงจริงไอเสียงเพลงที่ได้ยินมันก็สัพแต่ว่ามันก็เป็นศัพแต่ว่าเสียงมันก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเลยราแต่ใจที่มันปรุงแต่งเกิดความยึดความอยากมันก็เลยเร่าร้อนอันนี้จะเรียกเป็นภยัยภายในก็ได้สิ่งที่ได้ยิน ปรุงให้เกิดภัยภายในขึ้นมาแต่ถ้ามีอินเสีย2ออลมันก็มันก็ด้านมันก็ไม่ปรุงก็ยังเป็นปกติได้บางครั้งจะมีภัยภายนอกเข้ามาก็ได้ช่วยมีคนดา่าด่าว่าตำหนิที่จริงคำคำด่าว่าคำตำหนินี่มันก็มันก็ไม่ทำอะไรให้เราเจ็บปวดเท่าไหร่ ไม่เหมือนเข้าไม้มาตีเข้าหินมาคว้างคําพูดคดาําด่าคําว่าเจิงแค่เราไม่ได้ยินก็เราก็ไม่เดือดร้อนละมันไม่เหมือนคนเข้ามาตีมาทุบมาคว้างถึงแม้เราเราหลับอยู่เราก็ยังเจ็บเลยแต่ว่าใครมาด่ามาว่านถ้าเราหลับนี่เราไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าเราเราสนใจอย่างอื่นใครเข้ามาด่ามาว่าเราไม่เจ็บไม่ปวดเลยเลย มันก็เป็นศัก์แต่ว่าถ้อยคำหรือว่าเรียกว่าลมปากลมปากเนี่ยเจ็บได้ยังไงแต่ทำไมคนเราถึงทุก์ได้มันเจ็บที่ใจเพราะอะไรก็เพราะใจเนี่ยไปไปเรียกว่าอะไรไปเออ อ, อหอบหมกกบมันหรือเอาไเอามันมาปรุงใจนี้เอาคำเอาลมปากนี่มามาปรุง ตรงทั้งการเป็นมีดมากรีดใจเราฟังแล้วมันก็ผ่านเลยไปก็ไม่มีอะไรเมือ่อคนด่าเราเป็นภาษาอังกเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดใช่ไหมด่าเราเป็นภาษาจีนเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรด่าเป็นภาษาเยอรมันก็ไม่เดือดร้อนไม่รู้ว่าเขาด่าที่ซ้าแต่พอด่าเป็นภาษาไทยเรารู้ความนี้เราปรุงเลยไนงะ เราปรุงเพราะดาเราเป็นหมูเป็นหมาแล้วก็ปรุงเพราะเรามองว่าหมูหมานี่ไม่ดีแต่ถ้าฝรั่งนี่ถ้าเป็นฝรั่งนี่ไปพูดว่าเขาเป็นหมูเป็นหมานี่เขาเฉยมากเลยเพราะว่าเขารักหมานะแต่ของเรานี่มันมีการปรุงแต่งไว้เรียบร้อยแล้วว่าหมานี่มัน ไม่ดีนะหรือว่าเป็นหาว่าเป็นที่ยเป็นหานี่ยเราว่ามันเป็นสัตว์ชั้นต่ำเราก็เลยโกรธ ถ, ถ้าเขาด่าว่าเราเป็นเป็นนกยูงเนี่ยเราก็ไม่เดือดร้อนเออนกยูงมันดีเพราะเราตีค่าว่านกยูงมันสวยงามมันไม่เป็นคำด่าไปซะแล้วนี่เรียกว่าปรุงแต่ง ใจมันปรุงแต่งมันปรุงแต่งเพราะอะไรก็เพราะไม่มีสติมันไม่ได้ปรุงแต่งว่าดีไม่ดีมันปรุงแต่งมันปรุงให้เป็นเกิดความยินร้ายขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาอันนี้ก็ไม่มีสติ<อ>นั่นหูได้ยินเสียงเนี่ยต้องมีต้องมีต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วนี่มันก็ อาการที่มันวูบขึ้นมาเวลาเจอคํดาดามก็สงบลงมันวูบแป๊เดียวก็สงบเพราะว่าสติรู้สติรู้ว่าใจมันมันวูบขึ้นมามันมันโกรธขึ้นมาความโกรธมันวูบขึ้นมาเนี่ยสติรู้เลยที่แรกไม่รู้ก็เลยเลลอปล่อยใจให้มันวูบแต่สติมาทันปุ๊บอ่าวางมันก็สงบลง หรือบางทีก็เราลึกขึ้นมาได้่าเออมันธรรมดาความตำหนิเป็นเรื่องธรรมดานีคนชมก็ต้องมีคนตาห น, นิหรืออาจจะได้คิดขึ้นมาว่าเขาด่าเราเป็นหมูเป็นหมาก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เราเป็นหมูเป็นหมาได้แล้วจะโกรธไปทำไมนะหลวงพ่อฉ้นบอกใครเวลาใครด่าว่าเราเป็นหมา ให้ลองเอามือไปคลำที่ก้นดูว่ามีหางหรือเ่าถ้าไม่มีหางก็อย่าไปไปโกรกเขาทํา ไ, ไมเพราะว่าเขาด่าอะไรเราแค่ไหนมันก็ทำแไบเราไม่ได้แต่ที่เราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราอยากจะฟังคําชมเราอยากจะให้เขาชมพอด่าก็เลยเจ็บปวดแต่ถ้าเราไม่ได้อยากจะให้เขาชมแล้วไม่อยากไม่ปรารถนาคําชื่นชมเสื่อมแล้วใครจะด่าแล้วเราก็ไม่เดือดร้อน ไอ้ที่ทุกๆกันทุกวันนี่ก็เพราะว่าอยากจะให้เขาชมแต่เพราะเขาไม่ชมกลับด่าล้วก็เลยทุกอันนี้เราเรียกว่าเป็นถ้ามีสติหรืออินเซียสังวรเนี่ยมันก็จะช่วยคุ้มกันภยัยจากภายนอกให้ 100% เซได้นะอินปฏิโมกสังวรนี่ orn, คุ้มกันภัยได้ 90% แต่มันมีสิบปรเซนที่มันเล็ดมันลอดออกมามันเล็ดมันลอดเข้ามาแต่ถ้ามีเสียสังวัตอีกชั้นหนึ่งเข้าไปนี่ก็เรียกว่าร0 0ซแม้แต่เวลาถูกเขาตีถูกเขาทุบนะมันก็มีนะบางทีคนดีก็ถูกแกล้งถูกรลังแกนะ่เพื่อนผมเป็นพระเนี่ยก็เป็นพระดีพระเรียบร้อยก็ยังถูกฆ่าไม่รู้เพราะความเข้าใจผิดหรือเปล่าอันนี้เราก็ ระวังป้องกันไม่ได้หรืออุบัติเหตุเงี้ยอุบัติเหตุนี้คนดีแค่ไหนก็หนีอุบัติเหตุไม่พ้นหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยเงี้ยนะมันก็มาจะคนดีคนชั่วก็มาอย่าไปคิดว่าคนดีแล้วไม่มีวันป่วยไ ม, ม่วันเจ็บนะคนดีรักษาศีงก็อุบัติเหตุได้พระปฏิบัติดี ป, ปฏิเราชอบว่ามรณะภาพเะเครื่องบินตกพรารถชนก็เยอะ อันนี้เป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นธรรมดาโลกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รับประกันได้คือว่าใจไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์ถ้ามีสตินะป่วยก็เจ็บป่วยก็เออมันมันก็เป็นธรรมดาของมันกายป่วยแ ต, แต่ใจไม่ป่วย มีอุปัติเหตุก็ไม่ทุกมีคนหนึ่งเขาอะไรฟังขี่รถกำลังขี่รถอยู่จกัจกรยานนะมันก็มีรถเล่นมาชนข้างหลังก็ก่อนที่จะชนแค่เสี้ยววินาทีเขาก็รู้ตัวมีรถชนแล้วเขาก็เล่าว่ามันก็มี ก็เห็นแสงสว่างวูบขึ้นมาไม่ใช่แสงจากไฟรถนะมันไม่ใช่ไม่ ม, ม่มีแสงรถแสงของวูบขึ้นมาแล้วเขก็เห็นหลวงพ่อที่เขานับถือเป็นนิมิตแล้วเขาก็เริ่มสวดมนต์แต่ไม่ทันได้สวดมนต์สวดมนต์ได้ปุ๊บเดียวก็ก็หมดสติไปมันเร็วมากเลยแต่ว่า ขณะที่เพียงแค่ชั่ววินาทีเสี้ยววินาทีไม่ถึงวินาทีเดีย้ํามแค่เสี้ยววินาทีนี้เขาก็จิตใจเขาก็สงบมาเห็นแสงสว่างเห็นหลวงพ่อแล้วก็สวดมนต์ไม่มีความกลัวไม่มีความตื่นตระหนกไม่มีความริษตกไม่มีความเจ็บปวดใดเลยมีเพลินเขาไม่ตายเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะกายนี้ กายนี้ก็อาจจะมีแผลอาจจะหักขาอาจจะหักแขน จ, จะหักอันนั้นมันก็ธรรมดาของอุบติเหตุแต่ว่าใจนี่ใจนี่ไม่ทุกเลยอันนี้เพราะอะไรเพรมีสติสติมันทํางานไวมากพุ๊บมันไม่เปิดพื้นที่ไม่เปิดช่องให้ความกลัวความตื่นตกใจเข้ามาเลยใจน้อมนึกแต่สิ่งที่ดีให้ทําให้จิตนี้สงบเป็นปกติได้ นี่ว่ามีสติรักษาใจดนั้นความทุกข์ความเปีตความปวนก็เข้ามามันมาถึงตัวแล้วแต่มันไม่ทะลุถึงใจอันนี้เพราะว่าการมีอินเสียสังวรหรือผู้งานฝึกอยู่บ่อยๆบ่อยๆนะคนเรานี่จะให้ไม่มีภัยถึงตัวมันยากแนะม้จะทําความดีแค่ไหนมันก็ต้องมีภัยมาถึงตัวภัยทางกายก็มี คำด่าคำว่าก็มีความเจ็บความป่วยก็มีอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้ารักษาตัวดีนี่มันก็โอกาสเกิดน้อยอย่างเช่นถ้าเป็นถ้าเป็นนักเลงพวกนั ก, นกเลงหรืออันดับพาหรือพวกนักเลงลดซิ่งพวกนี้มันหาเรื่องโอกาสเกิดภัยก็มีมาก แต่ถ้ามีปาฏิโมกสังวรนันก็เกิดขึ้นน้อยคนีมีปฏิโมก์สังวรก็ไม่ไปหาเรื่องขี่รถสิ่งขับรถสิ่งนะมันผิดอยู่แล้วจะไปด่าว่าใครมันก็ทำไม่ได้จะไปรบกวนใครมันก็ก็ทำไม่ได้อีกแล้วมันก็ช่วยลดอันตรายจากภายนอกไปได้90้ิเปอร์เซ็นต์อันนี้รับประกันได้ 10% นั้นมันก็มาทางเนี่ยความจุดความปวดอุบัติเหตุหรือว่าคนที่มันมีความมีมิจฉาทิฐิเนี่ยพระโมคคัลลานั้นนี่ก็ยังโดนโจนทำร้ายป่างตายที่คิดว่าถึงตายได้ก็ได้แต่ว่าใจยังไม่ยังไม่ไมดับแต่ร่างกายนี่แหลกเหลวไปแล้วแ ต, แต่ว่ามันไม่ทุกนะถ้าเรามี อินเสียสังวรนะจกนกระทั่งสติรักษาใจได้แต่ถ้าไม่มีอินเสียสังวรแล้วแม้แต่ของสวยเสยงีงงามเพลงที่เพราะอาหารที่อร่อยนะมันก็ทำให้เราปั่นปวนในใจได้อยากจะสึกลูกเดียวนะเพราะเกิดการมาราคาบ้างเกิดปริโภธ์ห ห่วงหาอะไรบางทีมีลูกเห็นลูกมาลูกน้อยมามาหาแม่พาลูกน้อยมาใส่บาตรเห็นลูกน้อยคนนั้นแหละโอ้ยใจมันปั่นป่วนอยากจะสึกว่ามีความคิดถึงลูกนี้เรียกว่าไม่มีอินเซียสังวรไม่ใช่ว่าความคิดถึงมันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นได้แต่รู้ทันมันความกลัเกิดขึ้นได้ เราก็รู้ทันมันความอยากบุญการมมราคาเกิดขึ้นได้รู้ทันมันไม่ใช่ว่าไปกดไม่ให้มันเกิดอันนั้นไม่ใช่อินเสียสังวรมันเกิดขึ้นก็รู้รู้แล้วก็ว่ามันก็ไม่ไปรบกวนจิตใจภัยจากภายในก็ไม่เกิดอ น, นี่พระเราต้องมีตรงนี้ที่จริงทุกคนนะ่ะมันต้องมีตรงนี้แต่พระนี้ต้องมีทั้งปาฏิโมกสังวรและอินเสียสังวรเป็นพิเศษ เพราะว่าจิตมันถ้าไม่ฝึกเลยตรงนี้มันอ่อนไหวง่ายอันนี้เป็นธรรมะสารพันนว ก, กะสองข้อยเป็นธรรมะสารพันนว ก, กะเน้นมากพระรูปเจ้าเน้นมากธรรมรนว ก, กะพระบุญหม่ต้องมีสองตัวนี้แต่จริงจริงภาคเก่าก็ต้องมีถ้าไม่มีก็เสร็จเหมือนกัน นอกจากสองอันนี้แล้วก็ต้องมีอีกสนะที่พรนนวากาจําเป็นต้องมีหรือต้องฝึกฝนเป็นพิเศษก็เป็นเรื่องกายวาจาใจเหมือนกันก็คือ1แล้วก็มีการพูดคุยอยู่ในครอบเขตไม่ใช่คุกคลีมั่วสุมวันวั น, วนอาจจะพูดคุยกันมันไม่มีอะไรทํานี่ไม่เหมือนคารวะคาวาาวาต้องทํามาหากินไม่มีเวลาจะมาตั่งสังสรรค์สโมสรเงินแต่พระนี่มีเวลาว่างเยอะ ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ระวังให้ดีก็จะหมดเวลาเรื่องการคุยคุยจนค่ำจนดึกนะพระบางลูกทั้งเก่าๆทั้งเคยล่าเรงบางทีคุยกันนะคุยจนสว่างเลยไม่รู้เรื่องเลยคุยกันตั้งแต่ตั้งแต่หัวค่ำบรรลุตัวทีเอาพระตีละคันบินทบาทแล้ว แบบนี้มีมีอยู่เยอะนะเพราะฉั้นการพูดคุยในนะขอบเขตนี้ต้องต้องมีอันที่2คือต้องรู้จักปลีกปลีกตัวหลีกเล้นอย่าไปคุกคีกันต้องหาความสงบต้องรู้จักพากายเนี่ยพาตัวนี้เข้าไปหาความสงบอย่าพาตัวไปคุกขีมั่วสุมกันแล้วนะข้อที่3ามต้องรู้จักเจริญสัามา ทัศนะหรือว่าสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นก็คือต้องศึกษาหาความรู้มันฟังครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติด้วยศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอ่านหนังสือก็ได้ฟังคำครูบาอาจารย์สนทนากับผู้รู้แล้วก็ปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือกรรมฐานเพื่อทาให้เจริญสมทัศนะได้ ถ้่พูดมาห้าข้อเนี่ยก็คือทำสัผู้บทใหม่แต่ที่เน้นมากก็คือสองข้อแรกนะปาฏิโมก2วรแล้วก็อินเซียสังวรอันนี้ก็มีประโยชน์สำหรับคารวาดด้วยหรือนักปฏิบัติที่เป็นแม่ชีหรือว่าเป็นอุบาสิกาหรือนเ น, นก็ต้องมีตรงนี้ที่จริงจะว่าไปแล้วคารวาดนี้ต้องมีเป็นพิเศษเลยเพราะว่า ต้องไปเจอสิ่งร้อนแรงสิ่งที่มันกระทบกระทัึงมากแล้วเขาก็ไม่ค่อยคือถ้าเป็นพระนี่ก็ออยังระมัด ร, ระวังจะดา่าจะจ ะ, จะตำหนิหรือแม้แต่จะวิจารณเขาก็ไม่กล้าในพระเราเนี่มันมีจะเลือกข้อดีข้อเสียตรงนี้เขาก็จะพูดแต่คําไพเราะเป็นส่วนใหญ่แม้แต่เขจะติงเขาจะไม่กล้าเลยข้อเสียคือมันทําให้เราหลงตัวลืมตนเมื่อเราเยี่ยมเรายอ้อน มีแต่คำชมว่าเรายอดเราเก่งเราดีหรือถึงแม้เขาไม่ชมเขาก็ไม่ตำหนิเราก็หลงตัวลืมตนได้ง่ายแต่คารวา น, นีน้ก็มีโอกาสเจอลงกที่เต็มๆม เ, เจอคำตำหนิเจอคำด่าว่าขับรถเนี่ยแค่ขับรถก็โดนดา่าแล้วมีคนมาปาดหน้านมีคนไปตะโกนดา่าถ้าที่าไม่พอใจ ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนต้องมีอินเสีย์สงวนมากๆๆเลยถ้าไม่มีก็ใจก็ร้อนใจก็ทุกข์นี่เพราะไม่มีสติรักษาใจใอีกสข้อนี้ก็ก็มีประโยชน์นะการพูดคุยนอคอบเคการรู้จักปิด mm. เข้าหาที่สงบแล้วก็การเจริญสมาธิธธนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะ วันนี้ผมก็จะไปจสัตหะสัตหะไปกรุงเทแล้วพรุ่งนี้จะกลับมาแล้วขา้ารสารนี่ก็สัตตหะได้ไม่เกิน7คืนจะไปที่อื่นก็ต้องมีเหตุจําเป็นนะเรียว่าสัตตหะกรณียะไม่เกิน7คืนแต่วันนี้ก็จะไปแค่คืนเดียวพรุ่งนี้กลับมาบคุยกันเท่า น, นี้